สิขาบทที่หว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง854สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทัาอยู่ณนะพระเชตวันอารามของมาานาฐาปิทิการเศรษฐีเขตกรุงสาวตีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นภิกษุณีประจำตระกูลหนึ่งรับพัตาหารประจำ คันเวลาเช้าภิกษุณีนั้นครองอันชระวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงที่ตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านยิงรับใช้ตระกูลนั้นกวาดเรือนได้เก็บอาสนะนั้นไว้ระหว่างภาชนะคนในบ้านไม่เห็นอาสนะได้ไปถามภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าอาสนะอยู่ที่ไหนภิกษุณีนั้นกล่าวว่า ท่านทั้งหลายดิฉันก็ไม่เห็นอาสนะนั้นคนเหล่านั้นพูดว่าแม่เจ้าโปรดให้อาสนานั้นเถิดบริาพารแล้วเลิกถวายพระทหารประจำต่อมาคนเหล่านั้นทําความสะอาดบ้านหลังนั้นพบภาสนะซ่อนอยู่ระหว่างภาชนะจึงขอเข้ามาภิกษุนีนั้นแล้วได้เริ่มถวายพระทหารประจําครั้งนั้นภิกษุนีนั้นบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุนีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุนีผู้มากน้อย